ทรงตำหนิพระผู้มีพระภาคพระเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษการกระทำของเธอนั้นไม่สมควรไม่คล้อยตามไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำเลยโมฆะบุรุษเธอยังเป็นผู้ที่ผู้อื่นจะต้องตักเตือนพร่ำสอนฉะนั้นจึงได้สำคัญตนเพื่อตักเตือนพร่ำสอนผู้อื่นเล่าเธอเวียนมาเพื่อความเป็นผู้มากๆ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 เราอนุญาตให้ภิกษุมีพรรษาครบสิบหรือมีพรรษาเกินสิบให้อุปสมบทได้